ในการที่ได้มาพบกันคราวนี้ขอทุกท่านได้โปรดทำความรู้สึกว่าเรามาพบกันในฐานะที่เป็นสหธรร ม, มิกผู้อยู่ในวงสาคนาญาติแห่งธรรมะ และการที่ในมาพบท่านทั้งหลายในวันนี้ก็ได้มาพบอยู่ในสถานที่ใหญ่โตโอทงซึ่งวัดเวนจมาบอพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวิหารหลังนี้อาตมภาพเพิ่งมีโอกาสได้เข้ามานั่งอยู่ในสถานที่นี้เป็นครั้งแรกในชีวิตและ มาได้มานั่งอย่างธรรมดาธรรมดาแล้วมานั่งเทศให้ท่านทั้งหลายฟัง <c oughs> และในเมื่อพูดมาถึงคําว่ามานั่งเทศให้ท่านทั้งหลายฟัง <c oughs> บางท่านอาจจะคิดว่าพระเจ้าคุณองค์นี้คงจะเทศเก่งแต่ความจริงก็ไม่มีอะไรเก่งก็พ่อๆพอกับท่านทั้งหลายนั่นแหละ <c oughs> เหลือบางทีอาจจะย่อนกว่าหลายหลายท่านซึ่งนั่งประชุมอยู่ณสถานที่นี้ดังนั้นเอธรรมะที่จะนำออกสู่บรรดาท่านทั้งหลายในวันนี้เผื่อว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็ใครที่จะขอถือโอกาสขอภัยท่านผู้รู้ทั้งหลายไว้ล่วงหน้าด้วย <c oughs>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 ในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อพระองค์แสดงธรรมโดยมากมักจะมีธรรมะเป็นคู่กันเช่นสัมมาสมาธิมิถาสมาธิสัมมาทิฏฐิมิถาทิฏฐิอะไรทำนองนี้เรื่องความผิดกับความถูกนั้น เราองค์มาเกยยกขึ้นมาแสดงเป็นคู่กันดังนั้นเรื่องปัญหาของการทำสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้จะว่าลัติของใครถูกของใครผิดจะไม่ขอนำมาเกล่าว เ, เรื่องถูกเรื่องผิดนั้นอยู่ที่ความตั้งใจหรือเจตนาของผู้ทำ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 โดยไม่ได้มุ่งสิ่งอื่นนอกจากความบริสุทธิ์และความพ้นทุกข์จะได้ค่อว่าเป็นสัมมาสมาธิความคิดเห็นของความรู้ความเห็นของท่านเหล่านั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่นี้โดยวิสัยของการปฏิบัติหรือภูมิจิติภูมิธรรมที่เกิดขึ้นนั้น <c oughs> ในระดับต้นๆ น, นี่ ก็ยังมีทั้งผิดทั้งถูกแม้แต่อยู่ในภูมิพู้ที่มีภูมิจิตก้าวขึ้นสู่ในระดับของความเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ยังมีความเห็นผิดเห็นถูกยกเว้นแต่พระอรหันต์จาพวกเดียวเท่านั้นผู้ที่สําเร็จโสดาสกิทาคาอนาคาแต่ยังไม่ได้สําเร็จพระอรหันต และทำไมจึงยังไม่สำเร็จพระอาหารหันต์ก็เพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิในขั้นภูมิของอาหารหัตตมักยังไม่สมบูรณ์จึงยังคล่องอยู่จึงยังไม่สำเร็จก่อนเพราะฉะนั้นความผิดความถูกนั้นเราจะเพิ่งไปด่วนตัดสินว่าใครผิดใครถูก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 ว่าสิ่งอื่นผิดสิ่งอื่นถูกนั่นไม่สำคัญแม้ว่าเราจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่เป็นเรื่องภายนอกตัวของเรานั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราอ่านจิตใจของเราแล้วก็ปรับโทษตัวเองและตัดสินตัวเองว่าตัวเองผิดตัวเองถูกนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าหากเรายังไม่สามารถที่จะจับจุดนี้ได้เราจะปฏิบัติ หรือบําเพ็ญเพี ย, พยพรภาวนาไปเพียงใดแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขไดอันนี้เป็นความคิดและความเข้าใจขอให้ถือว่าเป็นเรื่องความคิดความเข้าใจเป็นเรื่องส่วนตัวของอาตมาผู้เทศที่นามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังก็เผื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ช่วยพิจารณา ว่าเป็นการเหมาะสมรหรือไม่ประการใดในฐานะที่อาตมาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เสาก็จะได้นําเรื่องการ <c oughs> ปฏิบัติสมาธิตามสายของท่านอาจารย์เสามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังท่านอาจารย์เสาเป็นพระเถระที่ไม่ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมมากมายกว้างขวาง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 และท่านอาจารย์เสาสอนพระกรรมฐานหรือสอนคนภาวนานั้นมักจะยึดเอาหลักการภาวนาพุทโธเป็นหลักยกตัวอย่างในบางครั้งมีผู้ไปถามท่านว่าอยากจะเรียนกรรมฐานอยากจะภาวนาจะทําอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านจะบอกว่าภาวนาพุทโธสิ ภาวนาพุโทโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะบอกว่าอย่าถามพุโทโธแปลอะไรถามไปทำไมและท่านจะย้ำว่าให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างเดียวแล้วก็ให้ภาวนาให้มากๆกระทำให้มากๆทำให้ชานิชานาญในเมื่อตั้งใจทําจริงผลย่อมเกิดขึ้นเองไม่ต้องถาม ทีนี้เราไปถามว่าภ <c> า <oughs> วนาพโพธิโตแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทั้งๆ ท, ที่เรายัางไม่ลงมือทามแม้ว่าผู้ที่ท่านทำเห็นผลมาแล้วท่านให้คำตอบไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับเราผู้ถามเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องถามถ้าต่างว่าท่านอาจจะไปเป็นโลกสิทธิ์ทนายจารย์องค์ใดองค์หนึ่ง ที่ท่านสอนให้ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าท่านยังมีความลังเลสงสัยในโอวาทคำสอนของท่านอาจารย์ของท่านอยู่ท่านจะภาวนาไปสักเพียงใดแค่ไหนท่านจะไม่ได้รับผลสาเร็จเพราะฉะนั้นท่านจะไปเรียนกรรมาฐานจากสานักไหนก็ตามเช่นจะไปเรียนมาจากสานักสัมมาอ拉หันยบหนอพองหนอ หรือกำหนดนามรูปอะไรก็ตามในเมื่อท่านเรียนมาแล้วท่านต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ของท่านอย่างจริงจังคือว่าเอาจริงเอาจังเชื่อฟังกันจริงจริงอย่างสมมติว่าอาจารย์ของท่านอาจจะหลังจากสอนบทภาวนาให้แล้ว อาจารย์ของท่านอาจจะสั่งว่าให้ท่านไป น, นั่งสมาธิบริกรรมภาวนาวันละสามครั้งหรือสี่ครั้งแต่ละขอให้ทำให้ได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงเอาแต่ท่านปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอาจารย์ท่านได้จะเป็นอาจารย์ใดก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน <c oughs> แต่ถ้าากท่านมีความรู้สึกว่าเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่ง ทำไปแล้วก็ไม่ได้ผลอย่าทำดีกว่าทีนี้ใครที่จะขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้สนใจในการภาวนาทั้งหลายท่านอาจารย์เสาสอนให้บริกรรมภาวนาโพธิทโพธิ์โทโพธิ์โทโพธโนี่เป็นบริกรรมภาวนาในอนุสติสิบข้อ พธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติหรืออนุสติอื่นๆที่มีคำบริกรรมภาวนาตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ8เดีด็วก็ต้องใช้คำบริกรรมภาวนาตามบทหรือตามแบบการภาวนาในข้อนั้ น, นการภาวนาอะไรที่นึกคำบริกรรมภาวนาในใจ เมื่อเราทำแล้วจิตจะสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจาระสมาธิใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามในเมื่อนึกบริกรรมภาวนาจิตจะสงบลงไปเพียงแค่อุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธิมีความหมายเพียงใดแค่ไหนมีความหมายเพียงแค่ว่าบริกรรมภาวนาแล้ว เจตมีอาการสงบเคลิมเคลิมลงไปเหมือนจะนอนหลับแล้วเจตเกิดมีความสงบนิ่งสว่างขึ้นมาแต่ยังมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของกายของลมหายใจอยู่เนืว่ากายยังปรากฏมีในความรู้สึกพอมีอาการเคลิมเคลิมลงไปเท่านั้นคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้ว เช่นอย่างภาวนาพุทโธพุธโธิโถพุิโธพุิโธหรือยบหนอพองหนอก็าตามในเมื่อจิตสงบเคลิมเคลิ ม, มลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาจิตมีอาการนิ่งพอนิ่งพับคำบริกรรมภาวนาหายไปหมดเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทําจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้น ไม่ถึงอัปปนาสมาธิในเมื่อเจตไม่ถึงอัปปนาสมาธิก็ไม่ถึงสมถกรรมาฐานเพราะฉะนั้นผู้ที่กล่าวว่าภาวนาพุโทโธหรือบริกรรมภาวนาเจตสงบลงไปได้เพียงแค่สมถกรรมาฐานเท่านั้นจึงเป็นการเข้าใจผิดขอทำความเข้าใจกับนักภาวนาทั้งหลายไว้อย่างนี้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 ถ้ากายปลากฏขึ้นมาให้เพ่งดูกายเรียกว่ากายยคตาสติถ้าลมหายใจปลากฏขึ้นในความรู้สึกให้กำหนดโลลมหายใจแล้วจิตของภาวนายึดเอาอารมณ์สองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ปลากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติแล้วจิตตามโลในอารมณ์ดังที่กล่าวนั้นเช่นดัง กายปลากฏก็ยึดเอากายยกตาสติกำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือจะกำหนดดูผมขนแลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปจนครอบอาการ3าก็ได้แล้วจะเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงไปถึงสมถกรรมาฐานคืออัปปนาสมาธิทีนี้ถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนั้น ลมหายใจปรากุดขึ้นในความรู้สึกก็กำหนดลูลลมหายใจเข้าออกเข้าออกตามโลลมหายใจไปจนกว่าลมหายใจจะละเอียดแต่ถ้าลมหายใจละเอียดแล้วลมหายใจหายไปจิตจะสงบเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิโดยปราศจากความรู้สึกนึกคิดมีแต่จิตนิ่งอยู่เฉยเฉยอันนี้เจตเข้าไปสู่สมาถะ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 อย่างดีก็เพียงแค่ทรงตัวอยู่ในความสงบนิ่งถ้าผู้ภาวนามาติดอยู่ในช่วงนี้จิตของท่านจะติดอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าหากมีสมรรถภาพพอที่จะก้าวหน้าไปหน่อยก็อย่างดีก็เปินแบบทานสมาบัติ ไปอากาสานัญจายตยจนะวิญญาัญจายตยจนะอากิจัญญาัญนะเนวสัญญาณสัญญายัตนะไปเดินสายศาสนาพราหมณ์ไปแต่พจน์กับพราหมณ์ก็อาศัยกันถ้าใครสามารถทําได้ก็ดีเหมือนกันอย่าไปปฏิเสธว่าไม่ดีแต่เมื่อทําได้แล้วอย่าไปติดเพราะการเล่นชานนี่ทําให้เกิดอิทธิเิสต่างๆ ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ทำให้ให้ติดถ้าไปติดสมาธิในขั้นชานแล้วูมจิดูมใจจะไม่เกิดความรู้หรือไม่เดินขั้นวิปัสสนาอันนี้คือทางแวะ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าจิตในเมื่อดูลมหายใจและเอียดเยิ่งลงไปทุกทีทุกที ตามหลักปริยัติท่านเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อลมหายใจทำท่าจะหายขาดไปให้นึกว่าลมหายใจยังมีอยู่ถ้ากายจะหายไปท่านในนึกว่ากายยังมีอยู่ทางนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่ปราศจากสิ่งที่รู้ในเมื่อจิตเข้าไปสู่อปปนาสมาธิอย่างไม่มีอะไร มีแต่ความรู้สึกภายในจิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวจิตไม่มีเครื่องรู้ในเมื่อจิตไม่มีเครื่องรู้จิตก็ไม่มีฐานที่ตั้งในเมื่อจิตไม่มีฐานที่ตั้งก็ขาดมหาสติปัฏฐานเพราะมหาสติปัฏฐานเท่านั้นจะเป็นฐานสร้างพื้นฐานของจิตให้มีความมั่นคงในการปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตเข้าไป อยู่ในจิตจา ก, กายก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ระลึกไม่มีเครื่องรู้สมรรถภาพทางจิตแม้จะนิ่งได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้นึกว่ากายจะหายไปก็นึกว่ากายมีอยู่ให้จิตมารู้อยู่ที่กายกายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ ในเมื่อจิตมีกลายเป็นเครื่องรู้สติมีกลายเป็นมีกลายเป็นเครื่องระลึกระลึกอยู่อย่างนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อจิตมีความรู้ซึ่งเห็นจริงในเรื่องของกายขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นมหาสติปัะธานก็เกิดขึ้นเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อันนี้คือแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาได้สอนมาก และอีกอย่างหนึ่งในตอนต้นๆ อ, อาตมาได้พูดถึงเรื่องอุปจารสมาธิในเมื่อผู้บริกรรมภาวนาจิตมีอาการสงบเคลิมเคลิมลงไปแล้วเกิดสว่างตรงนี้สำคัญมากเพราะการบริกรรมภาวนาถ้าจิตสงบแล้ว <c oughs> มีอาการเคลิมเคลิมลงไปจิตเกิดสว่างขึ้นมา ความสว่างในขั้นนี้จะมีความรู้สึกว่าแสงสว่างมันพุ่งออกไปทางตาออกจากตาแล้วความสว่างจะมุ่งตรงไปด้านหน้าในขณะที่จิตสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิส่วนมากจะมีลักษณะเครื่องหลับเครึ่งตื่นมีสติบ้างไม่มีสติบ้างบางทีก็หลงหลงลืมๆืม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 ในเมื่อเห็นโลกภาพต่างๆเราก็จะไปสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งเหล่านั้นมาขอส่วนบุญแล้วก็จะไปตั้งอกตั้งใจแผ่ส่วนบุญให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นในเมื่อเกิดมีความตั้งใจขึ้นมาสภาพจิตที่กําลังเริ่มจะสงบมันก็เปลี่ยนเคยเปลี่ยนจากความเป็นสมาธิจากความสงบมาเป็นความไม่สงบคือสมาธิถอนนั่นเองเมื่อสมาธิถอนขึ้นมาแล้ว ภาพในเม็ดต่างๆก็หายไปหมดแม้ว่าเราจะนึกแผ่ส่วนกุศลให้เขาเหล่านั้นมันจึงมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเขากลัวบุญเราเขาเลยไม่ยอมรับเลยหายไปจิบแต่แท้ที่จริงแล้วภาพนิเม็ดต่างๆที่เรามองเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมาแสดงให้เราเห็นเป็นเจตของเราปรุงแต่งขึ้นมาเอง ทำไมจึงต้องปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราภาวนาแล้วเราอยากเห็นและโดยส่วนมากครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานสอนให้ลูกศิษย์นั่งภาวนาพอเลิกภาวนาแล้วมาจะถามว่าเห็นอะไรบ้างทีนี้คำว่าเห็นอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> มันก็เลยไปฝังอยู่ในความรู้สึกในเมื่อภาวนาลงไปแล้วทุกคนจะต้องเห็น ถ้าภาวนาไม่เห็นแล้วแสดงว่าภาวนาม่ผลเพราะฉะนั้นในเมื่อม่เรามีอุปาทานอยากรู้อยากเห็นอยู่อย่างนี้เมื่อภาวนาจิตสงบลงไปแล้วสัญญาในอดีตที่อยากรู้อยากเห็นมันก็ผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วมันก็แสดงภาพนิมิต์ต่างๆให้เราเห็นอันนี้คือ ประสบพการที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนานั้นเห็นในเมตแล้วไปเอะใจสมาธิถอนภาพนนเมตนั้นหายไปก็เป็นอันว่าแล้วไปแต่ถ้าต่างว่าในเมื่อเห็นภาพนนเมตเช่นเห็นเทวดาเป็นต้นแล้วจิตไปติดอยู่กับเทวดา ไปเห็นความสวยงามของเทวดาแล้วจะรู้สึกว่าธรรมดาเทวดานั้นจะต้องอยู่บนสวรรค์ในเมนื่อว่าเทวดาอยู่บนสวรรค์เราก็อยากจะไปดูเทวดาบนสวรรค์บ้างละ่ะก็เลยติดสอยห้อยตามเทวดานั้นไปซึ่งสุดแท้แต่เทวดาเขาจะพาไปที่ไหน ถ้าหากสมาธิถอนขึ้นก็เป็นอันว่าแล้วไปแต่ถ้าสมาธิไม่ถอนก็ไปติดกับภาพนิมิตของเทวดานั้นแล้วก็ตามหลังเทวดาไปในที่สุดผู้ภาวนาจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับเราเดินตามหลังเทวดาไปเมื่อเทวดาก็พาไปไหนเราก็ตามไปถ้าจิตใจของเราเลิกว่าเราจะไปดูสวรรค์ภาพนิมิตของสวรรค์ก็จะเกิดขึ้น ลกลายเป็นเรื่องไปเที่ยวสวรรค์ถ้านึกถึงนรกภาพนรกก็จะเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าไปเที่ยวดูนรกเสี่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทางผักของนักบำเพ็ญจิตบำเพ็ญภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนําสั่งสอนว่าในขณะที่เราทำสมาธิภาวนาอยู่นั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิต ในเม็ดภาพอะไรต่างๆเกิดขึ้นอย่าไปสาคัญมั่นหมายว่าเป็นของจริงเป็นแต่ภาพนิมิดหลอกคลวงเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่มีสติปัญญาพอสมควรก็สามารถที่จะน้อมเอานิมิต น, น, นั้นมาเป็นเครื่องลูกของจิตมาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องระลึกของสติก็สามารถทำสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้ มีความมั่นคงมีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติใจ้เหมือนกันแต่ส่วนมากนั้นมักจะหลงหลงนิมิตต่างๆทั้งที่กล่าวมาแล้วนั้นสําคัญว่าเป็นจริงเป็นจังและยิ่งกว่านั้นบางทีอาจจะคิดว่า <c oughs> ภาพนิมิตต่างๆที่เห็นเหล่านั้นเราจะสําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นคือเจ้ากรรมนายเวรที่เขาจะต้องมาทวงหนี่อะไรต่ออะไรทานองนั้น ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายขอให้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังเรื่องภาพนิมิตต่างๆขอยืนยันว่าภาพนิมิตต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ของจริงเป็นมโนภาพที่เราสร้างขึ้นเองมโนภาพอั น, นั้นเราตั้งใจจะสร้างขึ้นหรือเปล่า ไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างขึ้นแต่เรามีอุปาทานอยากรู้อยากเห็นเมื่อเจิตสงบลงไปสู่ระดับอุปจาระสัมอุปจาระสมาธิแล้วเจิตของเราอยู่ในลักษณะเครื่องหลับเครื่องตื่นบางครั้งก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บางก็ขาดสติในช่วงที่เราขาดสตินั้นภาพนิมิตจะบังเกิดขึ้นและภาพนิมิตอ น, นั้นไม่ใช่ของจริง ทำไมจึงยืนยันว่าไม่ใช่ของจริงบางทีในต ำ, ำรับตำราท่านก็ยืนยันว่าเป็นของจริงแล้วพระองค์นี้ทำไมจึงยืนยันว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงที่กล้าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงก็เพราะเหตุว่าในบางครั้งะตรรมะได้เคยพิจารณาดูความตายในตัวของตัวเอง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 เป็นโครงกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์กลับคืนมาอีกแล้วก็สลายตัวลงไปอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นทีนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายของความตายที่ทำให้เรารู้ว่าตายนั่นก็คือร่างกายของเราเพราะร่างกายมันนอนเหยียดยาวอยู่ไม่ไหวติ่งและสิ่งที่พบว่าร่างกายนี้มันเน่าเปือ่อยผุพังสลายตัวไปแต่เมื่อ เจตมันออกจากความเป็นอย่างนั้นมาแล้วมันก็กลับมาเป็นตัวเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนอย่างเดิมแล้วร่างกายที่มองเห็นว่ามันสลายตัวไปนั้นมันก็ยังอยู่อย่างเก่าหาได้สลายตัวไปไม่เพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่านิมิต ท, ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับผูภาวนาในขั้นต้นนี้คือนิมิต ซึ่งเจตของเราปรุงเป็นภาพขึ้นมาเองต่างหากไม่ใช่เรื่องอื่นมาแสดงตัวให้เราเห็นแม้แต่ร่างกายที่ตายแล้วเน่าเปื่อยผุพังลงไปก็ตามไม่ใช่ร่างกายเป็นตัวแสดงแต่เจตตัวสังขารตัวปรุงนี่ต่างหากที่มันปรุงแต่งให้เป็นไปอย่างนั้นทำไมมันจึงปรุงแต่งเพราะเราอยากรู้อยากเห็น อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอุปาทานเดิมที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าเราอยากจะรู้เห็นเป็นจริงอย่างนี้ในเมื่อเราฝึกหัดจิตให้เป็นสมาธิมีสติปัญญาพอที่จะน้อมนึกสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปได้ด้วยความแน่วแน่เมื่อทำชํานี้ชํานานแล้วมันก็ย่อมเป็นไปได้ตามที่เราต้องการ เราสร้างมนโนภาพเหล่านั้นขึ้นมาทำไมก็เพื่อเป็นอุบายจะสอนใจของเราให้มันรู้จริงรู้ว่าเราจะตายจริงตายแล้วมันจะต้องเน่าจริงเน่าแล้วมันจะต้องสลายตัวสาบสูญไปจริงเพื่อให้เจตมันรู้สึกสำนึกว่าความตายเนี่ย ใครจะเสียใจก็าตามไม่เสียใจก็าตามใครจะชอบก็าตามไม่ชอบก็าตามใครจะยินดีก็าตามไม่ยินดีก็าตามในเมื่อถึงวาระที่เขาจะต้องมีอันเป็นไปเขาจะต้องไปตามกฎ ธ, ธรรมชาติของเขาพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาความตายก็เพื่อมุ่งประสงค์ที่จะให้ทุกคนยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายกันจริงๆ ที่เรากลัวตายกลัวความเจ็บ ก, กลัวความแก่ความตายอะไรต่างๆนี่ที่เรากลัวก็เพราะว่าเรายังไม่รู้ซึ้งเห็นจริงในเมื่อเราไม่รู้ซึ้งเห็นจริงเราก็ไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงเมื่อเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงเราก็ยังปฏิเสธของจริงอยู่นั่นแหละ ตราบใดที่เรายังปฏิเสธของจริงเราก็เป็นทุกวันยังำํำเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้เรามีจุดมุ่งประสงค์หนึ่งเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิประการที่สองเพื่อให้เกิดสติปัญญาซึ่งเกิดจากสมาธิเรียกว่าสมาธิปัญญาสมาธิปัญญานี่คือปัญญาที่เกิดจากจิตสงบเป็นสมาธิ สามารถที่จะบันดาลจิตให้เกิดความรู้โคมจิตโคมธรรมเป็นลำดับซึ่งสุดแท้แต่สมถะผู้บำเพ็ญ น, นั้นจะสามารถทำให้เป็นไปได้เพียงใดแค่ไหนการทำสมาธิโดยทั่วทั่วไปเราไม่จำเป็นจะต้องมีศีลก็ได้แต่สมาธิของผู้ไม่มีศีล น, นั้นไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้มรรคผลนิพพานเช่น สมาธิของนักไสยศาสตร์เขาอาจจะบริกรรมภาวนาคาถาของเขาแล้วสามารถปล่อยตะปูหรือทอบหนังบางฟันอะไรทํำนองนั้นทําให้คนเจ็บคนไข้คนตายได้อันนี้ก็คืออํานาจสมาธิถ้าสมาธิไม่มีแล้วหนังแผ่นโตโตโเบลอรจะทอบลงมาให้มันเล็กนิดเดียวได้อย่างไรตะปูซึ่งมันไม่มีจิตมีใจมีวิญญาณ แล้วจะไปปล่อยเข้าท้องเข้าไส่คนได้อย่างไรถ้าไม่มีสมาธิแต่สมาธิที่เป็นไปเพื่อความทำลายเนี่ยมุ่งที่จะทำลายเนี่ยเป็นเมตขาสมาธิอย่างญาติโยมทั้งหลายที่พากันทำสมาธิภาวนาเนี่ยพอตั้งใจจะภาวนาลงไปแล้วสาธุสาธุข้าพเจ้าภาวนาแล้วพ่งนี้ขอให้ถูกหวยเบอร์เมตขาสมาธิ ขอให้ข้าพเจ้ามีคนนิยมนับถือมากๆ ม, มิถาสมาธิสัมมาสมาธินั้นเพื่อมุ่งให้จิตสงบตั้งมั่นให้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตในใจของตนเองอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าใจของเราจิตของเรานี่มันเป็นอย่างไรมันเป็นคนขี้โลคขี้โกรธขี้หลงหรืออะไรก็แล้วแต่อ่านตัวเองให้มันออกนี่คือจุดที่เราจะต้องการรู้รู้สิ่งภายนอกนั้นรู้มากมายกายกองสักเพียงใดก็ตาม ไม่เกิดประโยชน์สำหรับผู้รู้ยิ่งรู้มากก็ยิ่งยากนานท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านได้ทดสอบดูแล้วความรู้ที่ท่านเคยทำมานั้นเช่นอย่างสมมติว่าทำสมาธิได้ดีแล้วเกิดมีอิทธิฤทธิต์ต่างๆทำเครื่องรางของขลังก็วิเศษสามารถรู้จนกระทั่งจิตใจของกฎและบางทีสามารถที่จะ นึกภาวนาอยู่ที่กติแล้วจะนึกให้ใครเป็นอย่างไรอย่างไรก็ได้แต่เสร็จแล้วยิ่งเก่งก็ยิ่งกิเลสตัวโตวขึ้นท่านจึงเห็นว่ามันไม่ถูกทางเพราะฉะนั้นสมาธิที่จัดว่าเป็นสัมมาสมาธินั้นคือมุ่งตรงต่อสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติโอชุปฏิปันโนปฏิบัติต r ง n ยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง สามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติชอบจริงตามแนวทางแห่งสังฆกุฏจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิทีนี้ตอนที่อาตมากล่าวว่าการทำสมาธิไม่จำเป็นแต่ต้องมีศีลสมาธิที่ไม่มีศีลเป็นหลักประกันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิผู้ภาวนาแล้วมักจะกลายมีเกิดมีเป็นสัญญาวิปลาส นักภาวนาที่ภาวนาเก่งๆและบางทีเสียสติสตังเป็นบ้าเป็นบอไปเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าความมีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วภาวนาอย่างไรไม่เกิดความเห็นผิดสัญญาวิปหลาดไม่มีเพราะศีลตัวเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องประกันความบริสุทธิ์ของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นสาธุชนผู้มุ่งที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อให้บรรลุมรรคผลกันจริงจัง จะต้องมั่นใจหรือจะต้องตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ตามขั้นภูมิของตัวเองเพราะความเป็นผู้มีศีลบริสุทธินั้นเป็นการตัดผลเพิ่มของกรรมอย่างเมื่อวานนี้เราอาจจะตบยุงอยู่หลายตัวแต่วันนี้เรามีศีลเราก็เลิกการฆ่าสัตว์ เมื่อเราเลิกการฆ่าสัตว์แล้วผลบาปที่จะเกิดจากการฆ่าสัตว์เป็นอันยุติตั้งแต่เวลาที่เราสมาทานศีลมาเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนอกจากจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสของคนแล้วยังเป็นหลักประกันความบริสุทธิ์เป็นการตัดผลเพิ่มของบาปคนเรานี่สามารถที่จะเคสได้ทั้งดีและชั่วแต่เมื่อเราเคส ด, ดี เราทําดีนั่นเป็นผลดีแต่ถ้าเราคิดชั่วแล้วทําชั่วด้วยอันนั่นเป็นผลเสียหายไอเรื่องของของความคิดนี้เราห้ามไม่ได้เพราะมันคิดมาเสียจนเป็นนิสัยประจำสันดานแล้วแต่เมื่อเราคิดแล้วเราก็นึกถึงศีลที่เราสมาทานคิดจะฆานึกถึงปานาธิบาคิดจะลักนึกถึงอาินนาทาน เชื่ว่าจะละเมิดข้อไหนเลิกถึงศีลข้อนั้นแล้วเราก็ไม่ทําลงไปเป็นการว่ายุติการทําความชั่วทางกายทางวาจาเสียทีในเมื่อเราไม่มีการทําชั่วทางกายทางวาจาผลวิบากที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรียกว่าเป็นบาปกรรมที่เราจะต้องตามไปรับผลสนองนั้นย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นส่วนของเก่านั้นปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้น แล้วเราก็ทำความดีใหม่เรื่อยไปเมื่อความชั่วที่เราไม่ได้ทำนั่นมันห่างกันไปนานๆเข้าจิตใจของเรามันก็ไม่นึกถึงบ่อยนักมันก็ห่างจากความชั่วที่มีอยู่เป็นโอกาสที่จะให้เราทำดีทำดีทำดีเรื่อยๆไปการทำดีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาเนี่ยถ้าหากใครไม่สามารถที่จะเข้าใจในเหตุผลอะไรต่างๆก็ทำไปเถอะ ทำไปอย่างที่ท่านอาจารย์เสา ว, ว่าภาวนาพุโทโธสิในเมื่อตั้งใจภาวนาพุโทโธอย่างจริงจังแล้วอย่าไปกลัวว่าจิตมันจะไม่สงบอย่าไปกลัวว่าวิปัสสนากรรมฐานมันจะไม่เกิดขึ้นขอให้มันมีสมถะกันเอาไว้ก่อนอย่าไปกลัวสิ่งที่เรายังไม่มีถ้าหากสมมติว่าเราจะหาเงินหาทองให้มันร่ำรวยแต่เรากลัวเป็นเศรษฐีเมื่อไหร่มันจะได้เป็นสักที ทีนี้เราจะภาวนาให้จิตสงบกลัวแต่ว่าเราจะไปติดสมถะทั้งๆ ท, ที่จิตของเราไม่เคยผ่านสมถะเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงสมาธิสมถะกันสักทีเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวขอให้ทำจริงอ <c oughs> นอกจากที่จะกล่าวถึงเรื่องการทำสมาธิตามแบบของท่านอาจารย์เสาแล้ว อาตมาใครจะแทรกแทกอะไรเข้ามาพอเป็นเครื่องพิจารณาสำหรับท่านบางท่านอาจจะมีความสนใจใน เ, เรื่องที่ท่านทั้งหลายอาจจะมีความสงสัยอยู่มากอย่างมากทีเดียวก็คือเรื่องมโนโมาิธิอามาพูดกันเรื่องมโนโมาิธิ แต่ว่ามาโนโมยิยติคืออะไรนั้นอาตจจมาจะไม่ขออธิบายเพราะความเข้าใจในเรื่องมโนโมายติขอออกตัวว่ายังไม่เข้าใจแต่วิธีการที่จะทำให้คนไปดูลรกดูสวรรค์ได้นั้นเข้าใจและเคยทำมาแล้วและบางทีอาจจะทดลองดูก็ได้ แต่สาหรับวันนี้เวลาไม่พอไม่ทดลองวิธีการไปดูนรกดูสวรรค์นั่นเขามีไปกันได้หลายวิธีหนึ่งภาวนาพุดโทแล้วน้อมใจไปดูนรกดูสวรรค์เมื่อจิตสงบลงเป็นอุปจารสมาธิตามที่กล่าวแล้วไปดูนรกดูสวรรค์ได้ประการที่สองภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลก ประการที่สามภาวนาคาถาปลุกพระคือน้ำพระทะประการที่สี่ใช่วิธีการสะกดจิตแบบชาวตะวันตกเขาใช้สามารถที่จะส่งคนไปดูนรกดูสวรรค์ได้ถ้าหากบรรดาท่านที่นั่งฟังเทศอยู่นี่ถ้ารู้จักวิธีการทำเพียงนิดเดียวท่านสามารถที่จะควบคุมคนนั่งไปดูนรกดูสวรรค์ได้ แต่เมื่อเรายังไม่รู้จักวิธีการที่จะทำคนให้ไปดูนระกดูสวรรค์ได้เราไม่รู้วิธีการและไม่รู้ข้อเท็จจริงเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์อาตมาจะขอแนะวิธีการเอาไว้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ได้ทดสอบมาแล้ว วิธีการไปดูนโลกดูสวรรค์ด้วยการภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกคาถานั้นมีอยู่ว่าท่านภูมิเทพอาจจะไม่ลำบากในการจดจำวิธีการในเบื้องต้นให้หาดอกไม้คู่หนึ่งเทียนคู่หนึ่งเอามาเสกด้วยคาถาพระเจ้าเปิดโลก แล้วนำผู้ที่จะให้นั่งภาวนานั้นไหว้พระอรหังสวาขาโตสุปฏิปันโนนำว่านโมตัสสะแล้วก็เอาดอกไม้ใส่มือให้เขาประนมเอาไว้อย่างนี้แล้วก็บอกเขาว่าพทโพทธทีปังกะโลโลกะทีปังอากาสะกะสินังวิโสทยิ ธ ร, รมโมทีปังกโลโลกทีปังอากาสะกะสินังวิโสทยิสังโคโทีปังกโลโลกทีปังอากาสะกะสีนังวิโสทยิพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นดวงประทีปแก้วสองโลกขอจงโปรดส่องสว่างทางนรกทางสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเห็นจริงแจ่มแจ้งในการรบัตรนี้ด้วยเถิด แล้วก็ให้คนถือดอกไม้บริกรรมภาวนาถ้าจะให้ไปดูสวรรค์ก็ให้ภาวนาว่าสวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรรค์แล้วก็คอยสังเกตดูว่าคนภาวนานั้นมีอาการสั่นสั่นสั่ น, ส, น, ส, นสั่นขึ้นพอสั่นขึ้นแล้วแสดงว่าเจตของเขาในกำลังเริ่มสงบมีอาการเคลิมเคลิมแล้วเราก็สั่งออกคำสั่งได้ทันทีว่าทำใจให้อ่อนอ่อนทใจให้สว่าง แล้วก็มองไปไกลๆถ้าเห็นเทวดาให้เทวดาพาไปดูสวรรค์ถามทางเขาไปทีนี้ในเมื่อเขาเห็นเทวดาแล้วเขาจะบอกกับเราว่าเห็ุแล้วอา้าวขอไปกับเทวดาแล้วเทวดาจะพาไปในขณะที่เขาไปนั่นแสดงอาการไปเขาจะสั่นแรงขึ้นถ้าไปเร็วก็ยิ่งสั่นแรง ถ้าเดินไปธรรมดาก็สั่นธรรมดาธรรมดานี้ถ้าเหาะไปเขาจะกลางปีกออกทำท่าเหาะอันนี้ไปทดลองดูได้และเอกวิธีหนึ่งนั้นอันนั้นเป็นวิธีสะกดจิตแบบฝรัง่งอันนี้จับเด็กมาเด็กประมาณสักอายุสิบสองขวบถึงสิบห้าขวบหรือจะเป็นใครก็ได้ เอามาแล้วก็มาบอกเขาว่าบัตรนี้ฉันจะสะกดเจ้าให้ไปดูนระกดูสวรรค์ถ้ามีอะไรที่มีแสงมีเงามีเงาสะท้อนก็เอาเยื่นใส่มือให้เขาบอกว่านี่ของวิเศษให้จะมองดูของสิ่งนี้แล้วจะมองดูของสิ่งนี้แล้วเจ้าจะนอนหลับแล้วก็บอกให้เขาหลับหลับซะหลับหลับหลับหลับหลับ พอสังเกตดูตาหนังต า, าก็หนักลงหนักลงหนักลงแล้วทีนี้เราก็โบกมือบอกให้เขาหลับเอานอนหลับจะพอเขาหลับตาแล้วปล่อยเขาหลับอยู่สักพักนึงแล้วก็ไปบอกกับเขาว่าบัดนี้ฉันจะสะกดเจ้าให้ไปดูนรกตูสวรรค์ฉันจะปลุกเสกเจ้าให้เป็นผู้ปีเรตมีอิทธิพลสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้สามารถจะไปไหนมาไหนได้ทุกผนทุกแห่ง ตามที่ฉันจะสั่งให้เจ้าไปเอาเจ้าไปดูนรกได้นรกอยู่ทางทิศโน้นมองไปไกลๆแล้วเจ้าจะเห็นนรกเจ้าเห็นอะไรแล้วเจ้าพูดกับฉันได้บอกฉันได้พอเขาไปเห็นแล้วเขาจะบอกว่าโอ้เห็นแล้วยมพบาลมีรูกล่างลักษณะอย่างนั้นสันรกมีรูกล่างอย่างนี้หมอนรกใหญ่ขนาดโน้นขนาดนี้เขาจะเล่าให้เราฟังทันที อันนี้คือวิธีการไปดูนระกดูสวรรค์ใครจะว่าเป็นมิธิหรือไม่อาตมาไม่สนใจแต่ถ้าใครสามารถทำไรด่ดีอย่าไปตาหนิท่านผู้ที่ท่านทำได้ในฐานะที่เรายังไม่รู้แจ้งเขียนจริงอย่าไปตัดสินว่าของใครผิดของใครถูกอันนี้อาตมาเป็นห่วง อย่างมีครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันนี้เราต้องพยายามพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ท่านผู้ทำการศึกษานี่ไม่ว่าทางโลกทางาศาสนาเรามีโสตตศึกษาทัศนศึกษาการเทศว่านรกเป็นอย่างนั้นสัตว์นรกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เทวดามีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นโสตตศึกษา เป็นได้เพียงได้ยินได้ฟังแต่ถ้าใครสามารถสะกดจิตคนให้ไปดูหน้าเทวดาดูหน้าสัตว์นรกได้เป็นดีพิเศษได้ทั้งโสตศึกษาทัศนศึกษาเทวดได้นั้นคือได้อย่างไรคนที่ไปเห็นสัตว์นรกตกนรกอยู่ในนรกเนี่ยมันเป็นสิ่งสถานที่ทรมานเหลือเกินไปเห็นแล้วอยู่ในสภาพที่น่าลำคาญหน้าเบือ่อเพราะมันทุกข์จริงๆที่นี่เสร็จแล้วเขาก็ ไปรู้ว่าสัตว์ที่มาตกนรกนี่ทําบาปอะไรพอเขารู้แล้วว่าทําบาปจางนี่มาตกนรกพอเขากลับมาแล้วทีนี้เขาก็กลัวบาปเขาไม่ทําบาปทีนี้คนที่ไปเห็นเทวดาเห็นนิมานสมบัติของเทวดาแล้วอยากเป็นเทวดาอยากได้สมบัติของเทวดากลับมาแล้วก็ทําบุญนี่คือผลที่จะจะจ ะ, จะพ่งได้ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุบายสอนผลให้รู้จักศีลรู้จักธรรมให้รู้จักธรรมบุญสุนทานอย่างอาตมามเทศ ท, ท่านทั้งหลายฟังนี่ว่าทำสมาธิแล้วจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอาตมาก็ไม่สามารถที่จะจีบฟองอาตมาออกไปให้ญาติโยมดูได้และบางครั้งญาติโยมบางคนก็อาจจะไม่เคยผ่านความเป็นสมาธิมาเราก็ได้ยินได้ฟังแต่เสียงพูดก็ได้แต่โสตตศึกษา ส่วนทัศนคศษานั้นเรายังไม่ได้เพราะเรายังไม่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการสอนธรรมนี่แล้วแต่อุบายการทำให้คนไปดูนระกดูสวรรค์ได้นี่ขอเยืนยันว่าเป็นของดีใครสามารถที่จะทำได้เชิญเถอะบางทีอาจจะทำให้พวกเด็กๆน่เนะชื่อว่านระกสวรรค์มีบักคนทุกวันนี้ส่วนมากไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มี เพราะฉะนั้นถ้าใครจิบเอานรกมาตีแผลให้เขาดูได้เชิญเลยจะเป็นประโยชน์แก่สังคมไม่น้อยทีเดียวอาสําหรับการกล่าวธรรมพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของบรรดาท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาการพูดมากก็โกหกมากการพูดมากก็ผิดพลาดมากดังนั้นอะไรที่มีความผิดพลาดหรือขาดตกบกพรอ่องอาตมะ ก็ถือโอกาสนี้ขอภัยท่านผู้ฟังด้วยาหากว่าสิ่งใดพอที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติก็ให้น้อมไปพินิตพิจารณาแล้วก็พยายามภาคเพียนปฏิบัติตามบางทีก็จะเกิดผลแก่ท่านผู้ปฏิบัติบ้าง ต, ต, ต, ตามสมควรในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณประสีรัตนยัยคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ ยังช่วยเป็นสื่อจนบรรดาลจิตใจของทุกท่านให้ดำเนินเข้าไปสู่ความตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเข็นจริงในสภาวะทมตามความเป็นจริงสามารถที่จะละกิเลสอันเป็นสิ่งซึ่งเป็นข้าศึกรบกวนความสุขภายในจิตใจให้จิตใจบรรดความสงบสว่างและบรรลุผลสาเร็จคือมาผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเทิด องค์ประกอบของการทำสมาธินี่ในเมื่อสมาธิเริ่มเกิดขึ้นเท่านั้นแหละกายก็เบาจิตก็เบาถ้าสมาธิอันใดนี่เรานั่งสมาธิอยู่ตลอดเกินยังลุ่มตลอดวันยังคำในเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเมื่อยยังก็วิ่งมาทั้งหลายกิโลกิโลเนี่ยนั่นใช่ไม่ได้ออกมาแล้วเบาออกมาแล้วต้องเบา นั่งสมาธิไปดูนรกดูสวรรค์อะไรพวกหมู่นี้อยู่ในลักษณะของการสะกดจิตการสะกดจิตมีหลายแบบสะกดด้วยคาถาอาคมสะกดด้วยอาถรรพ์ของวิชาทายาทโจมอยากจะเป็นนักสมาธิที่ถูกต้องอย่างดีนั้นเวลาเรียนสมาธิอย่าไปขึ้นครูกรรมาฐานถ้าเขินไปขึ้นครูกรรมาฐานแล้วจะมีอาถรรพ์ครอบเหมือนกันกับเรียนมนต์ไสยศาสตร์ ภาวนาแล้วจิตจะไม่เป็นตัวของตัวคล้ายๆกับถูกอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งข่มหรือสะกดให้เป็นไปพระพุทธประธรรมประสงค์หรืออารมณ์ของกรรมฐานที่เราใช้เป็นคู่ของใจนี่เป็นแต่เพียงเป็นสื่อสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตเช่นอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็เป็นแต่เพียงสื่อเป็นเหยื่อล่อจิตให้อยู่กับสิ่งนั้นได้มากๆเท่านั้นเอง ทีนี้เมื่อจิตมันอยู่ที่ของมันแล้วเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็ไม่ต้องไปพึ่งพาใสยใครเขาจะไปเหนือลองไตเขาก็ไปโดนลำพังเขาเองถ้าจิตยังต้องมีที่พึ่งมีที่อาศัยอยู่แล้วอันนั้นมันยังไม่ถึงขั้นแห่งความเป็นจริงในตอนบรรยายอาตมาได้ออกตัวเรื่องมโนมาทติ ท, ที่ยังไม่เข้าใจ ยังไม่ทํทนานิทานานแต่จะเอาประสบะการณ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจมาเล่าสู่ฟังบางทีอาจจะพอเปรียบเทียบกันได้บ้างคือในบางครั้งเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปแล้วเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิในขณะที่กระแสจิตยังส่งออกไปข้างนอกได้อยู่ในบางครั้งก็ส่งกระแสจิตไปไปดูโน่นดูนี่ แต่ในลักษณะที่ส่งกระแสจิตไปนั้นไม่ได้ปรากฏวัดตัวคือร่างกายนี่ไปด้วยไปแต่ความรู้สึกทีนี้กระแสของจิตนั้นมันไปถึงที่ไหนมันก็ไปเกิดสว่างอยู่ในบริเวณนั้นอะไรที่มีอยู่ในที่นั่นมันมองเห็นได้หมดบางครั้งเผลอๆมันวิ่งเข้าไปตรวจดูในบ้านในช่องคนว่าเขาจะนอนกันอยู่อย่างไรอย่างนี้มันก็เคยมี แต่แล้วมันก็ไปเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านคนเขามีอะไรอะไรก็เห็นหมดแต่ว่าตัวไม่ได้เดินไปด้วยอันนี้จะพอนึกว่าพอเปรียบเทียบได้กรืบ้างว่าคือมโนโมยทิส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่มโนโมยทิชนิดที่ไว้ไปดูนระกดูสวรรค์นี่ถ้าใครทำได้แล้วก็จะถือว่าเป็นมโนมยทิกอพอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบได้เป็นแนวทางได้ เมื่อผู้ทําได้นั้นฝึกชำนิชํนานาญขึ้นมาแล้วจิตของเขาก็อาจจะพ้นจากภาวะที่ถูกสะกดไปเองแล้วจะกลายความเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสมรรถภาพของจิตที่ฝึกชำนิชํนานาญแล้วเช่น <c oughs> อย่างการภาวนาเนี่ย <c oughs> จะภาวนาแบบไหนก็ตามถ้าอาจารย์สามารถสะกดจิตจิตให้ดําเนินตามองค์ฌานได้ มันก็เป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัตินั้นเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นแล้วอยากทำแม้สิ่งนั้นจะเป็นไปโดยถูกอำนาจสิ่งหนึ่งบังคับไปก็ตามแต่ปัญหาสำคัญขอให้ผู้นำนั้นนำลูกศิษย์ไปในทางที่ถูกต้องเมื่อถูกบังคับถูกนำบ่อยๆเข้าความเช่นํำนานในการปฏิบัติมันก็ค่อยเกิดขึ้นมาเอง แล้วพลังจิตของผู้ภาวนานั้นก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวขึ้นมาทีละน้อยละน้อยแล้วในที่สุดจะเป็นจิตที่เป็นอิสระสามารถปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ไปถือคติว่าถ้าใครสามารถภาวนาให้มีจิตเป็นสมาธิรู้ธรรมเห็นธรรมอยู่ในบ้านของตัวเองจะมีพระปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านทุกวัน หากใครภาวนาทำจิตให้สงบได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้อยู่ภายในบ้านจะมีคุณค่าดียิ่งกว่านิมนต์พระไปสวดมนต์ตั้งหมื่นหมื่นองค์แนะนํำให้เขาทำอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาว่าไม่มีเวลาจะไปวัดจึงอยากจะให้ทุกท่านสร้างวัดขึ้นภายในห้องนอนของตัวเองทีนี้บางคนเขากา็คัดค้านว่าท่านไปสอนคนให้เขาทาอย่างนั้น เพื่อเขาได้รับความสบายภายในบ้านเขาแล้วเขาไม่มาทําบุญกับท่านท่านจะไม่อดเลยท่านจะมาบอกว่าไม่มีทางยิ่งจะมากขึ้นกว่าเขาหลังจากที่ไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็แผ่เมตตาเช่นการแผ่เมตตานั้นเราจะนึกว่าสัตว์ผู้มีชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นจงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจเถอะแค่นี้ก็เป็นการแผ่เมตตาแล้ว พอหลังจากนั้นก็นึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็กําหนดรู้ลงที่จิตนึกในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในจิตอย่างนั้นแหละยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดนึกพุทโธได้ตลอดเวลาคนโสดมลนี่ เราจะได้สวดได้เพียงใดแค่ไหนไม่สําคัญแม้จะได้แต่เพียงนนโมตัสสะพระคัมภโตจบเพียงแค่นั้นก็สวดอยูเพียงแค่นั้นแหละแล้วก็สวดด้วยความมั่นใจเป็นอุบายสําหรับอบรมจิตใจเป็นอุบายกระตุน้นความรู้สึกให้มีความตั้งมั่น ลงในคุณความดีทีนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ก็คือคุณธรรม <c oughs> อย่าไปน้อยอกน้อยใจผูท้ที่ท่องโสวดมนต์ได้ไม่มากนลยจะไปน้อยใจ <c oughs> ถ้าจําอะไรไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธนิยกเนอพฟองนอยุบนอพฟองเนอเพียงคําเดียวเท่านั้นใช่ได้ แม้แต่การพิจารณาธรรมก็เหมือนกันเห็น <c oughs> อย่างพิจารณาอาการสามสิบสองนี่ <c oughs> ก็ไปจําเป็นจะต้องไล่ไปจนมันครอบหมดทุกอาการจะเพ่งดูเพียงกระดูกหัวแม่มืออันเดียวนี่ให้มันมองเห็นชัดจิตเป็นสมาธิขึ้นมาได้ใช่ได้อันเดียวนี่เลยมันจะเป็นได้ทั้งสมาถะวิปัสสนากรรมฐานถ้าจิตมันมองเห็นว่าหัวแม่มือนี่เป็นหัวแค่นี้มันก็เป็นสมาถะกรรมฐาน ถามันว่าหัวแม่มือนี่ทำไมคดคดเคี้ยวเคี้ยวเปลี่ยนเปลี่ยแปลงๆอะไรได้กระดิกได้มันก็เป็นวิปัสสนากรร ม, มาฐานแล้วอย่าไปเคล็ดอะไรให้มันยย่งนักก <c oughs> ็ขอจบลรงแค่นี้